ส่วนรูปไม่มีโดยการก้าวล่วงนะนะเรียกว่าก้าวล่วงก็คือพ้นนะนะก็คือผู้ที่ได้อารูปสมาบัตสีเป็นผู้ไม่มีรูปคือไม่เจริญรูปล่วงเลยรูปก้าวล่วงรูปเป็นไปล่วงรูปเสียได้เรียกว่ารูปไม่มีโดยการก้าวล่วงคือถ้าผู้ที่เจริญอรูปประชามก็จะพ้นจากภพที่มีรูปเนี่ยนะก็อรูปประชามทําให้เกิดในอรูปประพบเรียกว่าพ้นรูปโดยการก้าวล่วงแต่ในชั้นแรกนะ พ้นรูปโดยปริญญาสามอันนี้เรียกว่าพ้นโดย เ, เน้นไปที่อริยมรรคเนี่ยนะเป็นเหตุให้พ้นจากรูปส่วนตรงนี้ก็พ้นจากรูปด้วยอํานาจของสมถะเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องความว่าเมื่อรูปไม่มีไม่เป็นไปล่วงไปเนี่ยนะถ้าล่วงเลยก้าวล่วงเป็นไปล่วงผัสสะห้าประการถ้าไม่มีตานะก็จะไม่มีถ้าไม่มีตาไม่มีสีเนะนี่ยจัคคูสัมผัสเกิดไหม ไม่เกิด ถ, ถ้าไม่มีหู Canada. ไ, ม inn, ไม่มีเสียงก็ไม่เกิดโสตสัมผัสถ้าไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นก็ไม่เกิดคานะสัมผัสเมื่อไม่มีลิ้นไม่มีรสก็ไม่เกิดชิวหาสัมผัสเมื่อไม่มีกายไม่มีโพธาภะก็ไม่เกิดกายะสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่อรูปไม่มีภาษะก็ไม่ถูกต้องดีไหมถ้าไม่มีกายไม่มีโพธาภะจะคันไหมไม่คันนะนะถ้าไม่มีกายไม่มีโพธาภะนี่จะจะจะปวดไหมไม่ปวดเนี่ยนะไม่เมื่อยด้วยนะ สรุปว่าภาษานี้เกิดจากนามรูปนะภาษาหกเกิดจากทวารหกนะความยึดถือด้วยตันหากับทิ่ที่นี่เกิดจากตันหาเมื่อตันหามีการยึดถือด้วยตันหาและทิ่ทีจึงมีเมื่อรูปไม่มีภาษาก็ไม่ถูกต้องทีนี้คําถามถามเรียกว่าเป็นการถามเพื่อที่จะออกเลยนะว่าเมื่อบุคคลดําเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์ไม่มีอย่างไร รูปเป็นต้นไม่มีโดยประการใดขอพระองค์ตรัสบอกประการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ตั้งใจว่าจะรู้ประการนั้นนี่นะคือปฏิบัติยังไงจึงจะไม่มีรูปนะคำถามเลยนะปฏิบัติยังไงจะพ้นจากรูปสักทีเหมือนกันเมื่อหนึ่งสุขทุกข์ไม่มีอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติยังไงจะหมดสุขหมดทุกข์สัทีหนึ่งเหมือนกันรูปเป็นต้นไม่มีโดยประการใดขอพระองค์ตรัสบอกประการนั้นนะ คือว่าปฏิบัติยังไงจึงจะหมดรูปหมดสุขหมดทุกข์กขนะนะสิ้นรูปสิ้นสุขสิ้นทุกข์สักทีหนึ่งเหมือนกันบอกว่าข่าพระองค์จะรู้โดยจะรู้ประการนั้นก็จะรู้จะรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดประการนั้นนะสรุปว่าบุคคลดําเนินคือปฏิบัติยังไงรูปไม่มี <c oughs> สุขและทุกข์เนี่ยไม่มีได้อย่างไรเพราะว่ารูป รูปสุขทุกข์ไม่มีโดยประการใดขอให้พระองค์เนี่ยตรัสบอกประการนั้นข้าพระองค์เนี่ยตั้งใจว่าจะรู้ประการนั้นสรุปว่าแม้พูดสัมเนธไทยเราบอกว่าอยากจะรู้เหลือเกินแบบปฏิบัติยังไงทำยังไงมันจะหมดรูปหมดสุขหมดทุกข์สักทีหนึง่งเหมือนกันทำยังไงนะ้ะจะหมดรูปหมดสุขหมดทุกข์สักทีหนึง่งนักเรนสอนจะต่อบบ้างปฏิบัติยังไงจะพ้นรูปพ้นสุขพ้นทุกข์สักทีหนึง่งยังนะ ว่าไปเรื่อยบอกไม่เคยปฏิบัติไปทำมาตั้งเยอะแยะไปหมดบอกไม่เคยปฏิบัติก็ยังอยู่กับรูปอยู่นี่แหละนั่นทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลไม่บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยปกติอ้าวเนี่ยข้อปฏิบัติเขานะฟังแล้วงงเหมือนกันนะ นะแต่ว่าเทวดาเขาฟังเขาเข้าใจอ่ะบอกว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยปกติแต่ก็ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยผิดปกติอีกไม่เป็นผู้ไม่มีสัญญาและไม่เป็นผู้ปราศจากสัญญาจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ว่างั้นเถอะเมื่อบุคคลดําเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่าส่วนแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นเหตุคือจริงๆแล้วนะรูป รูปสุขทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากตัณหาเกิดตัณหาเครื่องเนื่นช้าไอ้ตัณหาเครื่องเนื่นช้ามันเกิดจากสัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะ น, นี้นะต้องไม่มีสัญญาโดยผิดปกติแต่ก็ต้องไม่ใช่มีสัญญาโดยปกติทั้งไม่เป็นผู้ไม่มีสัญญาและไม่ปราศสัญญาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าฟังก็ยังยากๆอยู่เหมือนกันนะนะคำตอบถ้าตอบง่ายๆก็ไม่ง่ายนะตอบนี้ฟังยากอะพระตองภาษาริบุตรนี้เทศอธิบายว่า บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติทั้งไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติสัญญาปกติเป็นยังไงก็คือชนเหล่าใดตั้งอยู่โดยสัญญาปกติชนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสัญญาโดยปกติก็เนี่ยที่เห็นได้ยินแบบเราๆเนี่ยธรรมดาเรีเรยกว่าสัญญาปกติอันปฏิบัติอย่างนี้ถามมาอยู่อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ได้ไหมพ้นนามรูปพ้นสุขพ้นทุกข์ได้ไหมไม่พ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าสัญญาผิดปกตินะ ถ้าสัญญาผิดปกติเป็นยังไงบุคคลนั้นไม่ตั้งอยู่ในสัญญาปกติก็คือชนเหล่าใดเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านชนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสัญญาผิดปกติคนบ้าก็ปกติผิดปกติอ่ะนะบุคคลนั้นไม่เป็นบ้าทั้งไม่เป็นผู้ฟุ้งซ่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาโดยสัญญาปกติทั้งไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเนี่ย <c oughs> นะเงื่อนไขเนี่ยต้องไม่ใช่แบบปกติอย่างนี้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดปกติแบบคนบ้าอันนี้ตัดก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องไม่เป็นบ้าทั้งไม่ฟุ้งซ่านนะอันนี้คขต้องการจะชี้แน่ว่าต้องไม่บ้ากับไม่ฟุ้งซ่านคำว่าไม่เป็นผู้ไม่มีสัญญาและไม่เป็นผู้ปราศจากสัญญาความว่าชนเหล่าใดเข้านิโรธและอาศันยีสัตว์ชนเหล่านั้นเรียกว่าไม่มีสัญญาบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้เข้านิโรธสมาบัติทั้งไม่ใช่อสัญยีสัตว์ ช น, นนชนเหล่านั้นได้ชนเหล่าใดได้อรูปสมาบัตส4ชนเหล่านั้นเรียกว่าไม่เป็นผู้ปราศจากสัญญาบุคคลนั้นไม่เป็นผู้ได้อรูปสมาบัติ4ฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาและเป็นผู้ไม่ปราศจากสัญญาเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อดำเนินอย่างนี้รูปไม่มีถามว่าดำเนินยังไงก็คือบรรลุจตุทะชานก่อนเนี่ยนะบรรลุจตุทชานเนี่ยนะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ ขุดผ่องมีไม่มีกิเลสบริสุทธปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อประโยชน์แก่การได้อากาสานัญจาทตนะเป็นผู้พร้อมเพียงด้วยธรรมะเป็นทางแห่งอรูปสมาบัติเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้คือปฏิบัติผลเปลี่ยนอิริยาบถรักษาบำรุงเยียวยาอ ย, าอยู่อย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้รูปจึงไม่มีไม่เป็นล่วงเลยก้าวล่วงเป็นไปล่วง ถ้าอยากจะพ้นรูปต้องเจริณารูปประชานนะนะแต่จะพ้นรูปจริงๆนะพ้นรูปโดยการก้าวล่วงก่อนก็ต้องด้วยอรูปประชานเพราะว่าส่วนแห่ ง, หงธรรมะเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นเหตุคาว่าธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือตันหาทิฐิมานะเป็นธรรมะมีสัญญาเป็นนิทานมีสัญญาเป็นสมุ ท, ทยัยมีสัญญาเป็นชาติมีสัญญาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นเรียกว่ามี ธรรมะเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นนิทานเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากรูปนะต้องเป็นผู้ไม่มีสัญญาโดยปกติคือไม่ใช่แบบธรรมดาอย่างนี้หรอกแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ผิดปกติมีสัญญาแบบผิดปกติคือบ้าเป็นต้นไม่เป็นผู้ไม่มีสัญญากับผู้ที่ไม่มีสัญญาคือใครก็คือพวกที่เข้านิโรธสมาบัติกับอสัญญาศาตร์นี่ไม่มีสัญญา และไม่ปราศจากสัญญาคำว่าไม่ปราศจากสัญญาต้องได้จดตุทชาญถ้าได้จดตุทชาญอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออากาาสารัญจายตนะอันนั้นแหละถ้าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะพ้นจากรูปว่างันทีนี้พระพุทธเนรมิตรก็ถามต่อไปว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามทมเหล่าใดแล้วพระองค์ก็ได้แถลงธรรมะนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะขอทูลถาม ธรรมะส่วนอื่นกับพระองค์ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกธรรมะนั้นก็สมณะพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้กล่าวความหมดจดแห่งยักษด้วยอารูปสมาบัติเท่านี้หรือหนอว่าเป็นธรรมะอเลิศหรือว่าสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวความหมดจดอย่างอื่นกว่าอารูปสมาบัติคือคือเขาถือนะผู้ที่ปฏิบัติเขาถือว่าอารูปประพรมนี่แหละอรูปอรูปประชามนี่แหละจะทําให้บริสุทธิ์ เขาถือว่าอารูปฌานเนี่ยเป็นธรรมะเลิศเป็นธรรมะสุดยอดเอออรูปฌานเนี่ยเป็นสูงสุดยอดหรือหรือว่ามีอย่างอื่นที่มันดีกว่าอารูปฌานเหมือนนหรือว่ามีอย่างอื่นที่จะทำให้หมดจดนอกจากอารูปฌานเห็นไหมก็เพราะว่าอะไรเพราะที่กล่าวเนี่ยนะเพราะมีพวกที่อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยเยอะคือพวกสมณะพรามเนี่ย บางพวกกล่าวพูดแสดงถแถลงความหมดจดว่าเป็นธรรมะอันเลิศประเสริฐประทานอุดมบวรด้วยอรูปสมาบัติเท่านี้หรือเนี่ยนะก็เขาคิดว่าอารูปสมาบัติเนี่ยจะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นเขาอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตนะเขาอ้างตนว่าเขาเป็นบัณฑิตนะใครจะบอกว่าตัวเองโง่เนะก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นบัณฑิตอยู่แล้วคือเป็นผู้กล่าวตนเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นผู้กล่าวว่าตนเนี่ยเป็นทีรชนผู้กล่าวตนว่ามีญาณ ผู้กล่าวโดยเหตุผู้กล่าวโดยกรณะผู้กล่าวโดยลักษณะผู้กล่าวโดยฐานะในโลกนี้โดยลักที่ของตนจริงๆอะ่ะเขาเป็นบัณฑิตตามลักที่ของตัวเองอ่ะนะก็บัณฑิตของแต่ละสายก็แล้วแต่ใครนับถือสายไหนก็นับถือว่าฝ่ายนั้นแหละตัวเองเป็นบัณฑิต พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าก็สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ย่อมกล่าวความหมดจดแห่งยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านี้ว่าเป็นธรรมะอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกอ้างตนเป็นผู้ฉลาดกล่าวความสงบในอนุปาที่เสศนะคือบางพวกนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าได้อรูปประชันนะเที่ยงบางพวกก็บอกไม่ใช่หรอกที่นั่นมันศูนย์ เนี่ยนะถ้าถึงที่นั่นแล้วจะศูนย์เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าพวกที่ยึดถือสำคัญว่าตัวเองเป็นบัณฑิตเนี่ยนะพวกเนี่ยเข้าที่ที่สองคือไปสำคัญว่ารูปประพรมเนี่ยเที่ยงจริงๆแล้วเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่บางคนไปถือว่าที่นั่นเนี่ยจะศูนย์ที่นั่นแหละเนะจะจบจะหมดจบสิ้นสักทีนึงอะนะแก้ปัญหาสารพัดเมื่อถึงที่นั่นถามว่าจริงไหมล่ะ เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเขาเขาอ้างว่าเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะที่เขาอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดเขาก็ถือว่าบางพวกถือว่าอารูปฌานเนี่ยเป็นเป็นนิพพานของเขาเป็นอมตะบางพวกเขบอกว่าไปขาดศูนย์ไปจบสิ้นที่นัน่นสรุปว่าพวกสมณะพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยนะอย่างเช่น阿拉ระดาบทอุตกระดาบทเนี่ยพวกนี้ก็ตกอยู่ในอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิกับสัสนติฏฐินั่นเอง พระองค์ก็สอนว่ามูนีนั้นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณารู้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นผู้อันทิฏฐิเข้าไปอาศัยและรู้ว่าเป็นผู้มีทิฏฐิเป็นที่อาศัยรู้แล้วพ้นแล้วย่อมไม่เข้าถึงวิวาทเป็นเีรชนย่อมไม่ถึงความพร้อมในพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะก็คือพวกสมณะพราหมณ์ที่กล่าวไปเนี่ยพวกเหล่านั้นเนี่ยมีทิฏฐิใช่ไหมพาไป ทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิทั้งที่เป็นอุเฉททิฏฐิกับสัตตทิฏฐิเพราะอุเฉททิฏฐิสัสตตทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวพาสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยมีอุเฉททิฏฐิสัตตทิฏฐิเนี่ยเป็นที่อาศัยคําว่าเป็นผู้อันทิฏฐิเข้าไปอาศัยความว่ามุนีนั้นรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจมแจ้งทําให้แจ้งว่าเป็นผู้อันสัตตทิฏฐิอาศัยแล้ว พวกสัตตะทิฐิอาศัยก็ถือว่าอรูปปรมเนี่ยเที่ยงส่วนผู้อันอุเฉททิฏฐิอาศัยก็คือถือว่าศูนย์ที่อรูปปรมเนี่ยนะเป็นผู้อันศาสตะและทิฐิเป็นผู้อันศาสตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอาศัยแล้วเนี่ยนะเพราะพวกสมณพราหมณ์เนี่ยนะนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเที่ยงบ้างถือว่าศูนย์บ้างที่อรูปปรม มุนีก็คือผู้มีปัญญาเนี่ยนะมุนีนั้นน่ะรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มแจ้งทําให้เป็นแจ้งแล้วว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อันทิฏฐิอาศัยเป็นผู้อันอุเฉททิฐิอาศัยเป็นผู้อันสัสตติฏฐิและอุเฉททิฏฐิอาศัยแล้วเพราะฉะนั้นมุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาก็คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสเรียกว่า มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาคือรู้ว่าเออพวกสมณะพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีทิฏฐิอาศัยแล้วนะเขาอาศัยอยู่ในอุเฉททิฏฐิและสสตทิฏฐิครันรู้แล้วเนี่ยนะรู้แล้วอ่ะก็คือรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มแจ้งทําให้เป็นแจ้งแล้วเป็นผู้พ้นวิเศษอ่าพ้นวิเศษพ้นรอบพ้นดีโดยความวิเศษเพราะไม่ถือมั่นโดยส่วนเดียวคือรู้ทราบ พิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกทาเป็นทมทั้งปวงเป็นอนัตตา ทำให้แจมแจ้งอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นนะนะเรียกว่าแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทโดยสมุทัยวาระก็คือแทงตลอดสมุทัยศัสตร์นั่นเองแล้วก็แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทโดยนิโรธวาระเพราะอวิชชานั้นอ่ะสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับนี่เรียกว่านิโรธวาระหรือรู้นิโรธสัจจ ะ, ะเมื่อรู้ทั้งสมุทัยศัสตร์คือเหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วก็นิโรธสัจจะคือความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ก็จะแทงตลอด อริยาาสัจสี่วันนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธถาขามิหนีปฏิปทาทีนี้เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยาาสัจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็จะพิจารณากิเลสเนี่ยนะว่าอาสวะเหตุเกิดความดับแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะถ้ารู้อย่างนั้นจริงๆก็จะรู้แม้กระทั่งว่ารู้อนะไร รู้ความจริงของเหตุเกิดความดับอาัสาธาอาทีนวะนิสรณะนาของมหาภูตรูปสีอุปาทานขันห้าภาษายตนา6กเนี่ยนะแลว่ารู้อภินยญาธรรมปริญยญาธรรมปรหาตปธรรมภาเวตาปธรรมสัจจิกาตาปธรรมในที่สุดก็ต้องรู้ความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือสังคตะธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นก็อาศัยสมุทัยศาสตร์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ถ้าแทงตลอดนิโรสรัจะ ก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบพ้นวิเศษดีโดยความพ้นวิเศษเพราะไม่ถือมั่นโดยส่วนเดียวฉะนั้นจึงชื่อว่ารู้แล้วพ้นวิเศษแล้วมันผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้ก็ไม่ถึงความวิวาทคือไม่ทะเลาะไม่ทําความบาดหมางไม่ทําความโต้เถียงไม่วิวาทไม่ทําความหมายมั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยหมดปัญหาใช่ไหมไม่ทะเลาะเบาแหวงกัน อย่างที่พระองค์ตรัสในทีฆานัขาสูตรเนี่ยนะว่าดูก่อนอักขิเวสนะภิกษุผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่วิวาดกับใครๆเรื่องใดที่เขาพูดกันในโลกภิกษุนั้นก็ไม่ได้ยึดมั่นพูดเรื่องนั้นคือพูดพูดไปตามโวหารของโลกเนี่ยนะแต่ไม่ได้ยึดถือคือเพราะไม่ได้ยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิกล่าวว่างั้นเพราะฉะนั้นทีรชนเนี่ยนะก็ ไม products, anya, ่ได้ทำเพื่อพบน้อยพบใหญ่นะนักปราดบัณฑิตผู้มีปัญญามีความรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทาลายกิเลสอ่ะผู้มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะไม่ถึงพร้อมในพบน้อยและพบใหญ่คำว่าไม่ถึงพร้อมไม่มาถึงพร้อมไม่ถือเอาไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในพบน้อยพบใหญ่คือในกรรมวัดและวิปากวัดเนี่ยนะกรรมวัดวิปากวัในกรมพบกรรมวัดวิปากวตใน รูปประพบกรรมวัดวิปากวัดในอรูปประพบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไม่ถึงพร้อมคือไม่เกิดในความเกิดบ่อยๆความเป็นไปบ่อยๆเข้าถึงบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆความบังเกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆเพันธีรชนผู้มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะท่านไม่ถึงพร้อมคือไม่เกิดในภพน้อยภพใหญ่อีก สรุปว่ามุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณารู้สมณพราหมณ์เหล่านั้นนะสัมณพราหมณ์และที่อื่นนะเป็นผู้อันอาศัยทิฏฐิคือคอาศัยสัสจะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเป็นผู้มีสัจจะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้อริยสัจก็จะพ้นวิเศษเมื่อพ้นวิเศษบรรลุแทงตลอดอริยสัจเป็นพาสหาันก็ไม่ถึงความวิวาสผันผู้มีปัญญาอย่างนี้ก็จะไม่เกิดในภพน้อยภพใหญ่จะไม่ปฏิสนที่ใน การมาพบรูปประพบและอารูปประพบเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อความในกลรหาวิวัตสูตรเพราะนั้นตอน อ, อัตกถาท่านกล่าวว่าโซเ น, น่นะก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เหมือนกันน่ยนะเช่นเทวดาก็บรรลุเท่าไหร่แสนโกดใช่ไหมเอ่ที่บระรูเป็นพาธฐานก็แสนโกดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็หาประมาณไม่ได้ มันรูประยะชั้นล่างเนี่ยนะเพราะการชี้แจงแสดงถึงความทะเลาะวิวาทเนี่ยนะก็ต้องชี้เหตุให้ก็เห็นก่อนว่าพวกโทสะเจริตเนี่ยโดยมากมันหนักไปทางทะเลาะกันใช่ไหมก็ชี้ไปว่าไอ้ความทะเลาะเกิดจากอะไรสรุปนะว่าโดยสรุปความทะเลาะวิวาทก็เกิดจากของรักไอ้ของรักมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากตันหานะเกิดจากชั้นท่นะแล้วชันทะตันหานี่มันเกิดจากอะไรก็เกิดจาก เวทนาความดีใจและเสียใจแล้วเวทนาดีใจเสียใจมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากผัสสะไอผัสสะมันเกิดจากอะไรเกิดจากนามรูปแล้วนามรูปเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะหรือคําถามก็บอกว่าแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับนามดับรูปได้เนี่ยนะก็ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าจะพ้นรูปก็พ้นด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปะหานะปริญญาถ้าจะพ้นรูปแบบอรูปฌานก็เจรณาอรูปฌานก็จะเกิดในอรู ป, ปพบ ก็จะพ้นจากรูปเอาแล้วบางพวกเขาถือว่าอารูปประพรเนี่ยเป็นที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็บอกว่าอันนั้นมันละที่ภายนอกละที่ภายนอกเนี่ยบางพวกก็ถือว่าที่อารูปประพรมเนี่ยเที่ยงบางพวกก็บอกว่าถือว่าไปศูนย์ที่อรูปประพรมพวกนั้นอาศัย ส, สตติทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิแต่ผู้มีปัญญาเนี่ยรู้อ ร, ริยสัจผลวิเศษจากตันหาและทิฏฐิ ท่านเหล่านั้นจะไม่แสดงตนคือจะไม่เกิดในภพต่างๆเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็แสดงจบลงที่ยอดคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะอรหั ต, ตผลมันอยู่ที่การแทงตลอดอริยสัจกำจัดตัณหากับทิฐินั่นแหละมัน เ, เทวดาที่โทสะจริตทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งรู้แจง้งแทงตลอดอริยสัจได้เนยะสูตรนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้